วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมพุทธศักราช25ัห้าสาวันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระขึ้นส5บห้าค่ำเดือนเก้าเขา้าพรรษามาก็หนึ่งเดือนพอดีวันนี้เพราะนั้นอยากจะให้ศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกท่านได้ทบทวน ดูว่าการเข้าพรรษามาหนึ่งเดือนนี้ที่เราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ก่อนเข้าพรรษาขาดตปกปกพ่องตรงไหนอย่างไรบ้างอันนี้ก็อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายตรวจตราดูเหมือนกับเราธรรมาค้าขายถ้าเราธรรมมาค้าขายเราไม่ได้ ดูต้นทุนกำไรพวกเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละวันกำไรเท่าไหร่หนึ่งเดือนกำไรเท่าไหร่งบปีพวกเรากำไรเท่าไหร่พวกเราจะไม่รู้นี่เหมือนกัร น, นะพวกเราประกอบคุณงามความดีพวกเราสมารวมกายวาจาของเราหรือว่าตั้งใจของเราเราได้ทำอะไรลงไปบ้างเมื่อทำไปแล้ว จุดไหนที่เราขาดตกวปกป้องที่เราสู้กับกิเลสของเราไม่ได้แหมอย่างเช่นว่าเราจะงดบุหรี่อย่างนี้พอเข้า จ, จริงๆก็เลยสู้กิเลสไม่ได้อย่างนีเ้เราจะเอารองอีกสักตั้งไหม อ, อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นาการที่พวกเราจะสั่งสมคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีนะเป็นของทำได้ยากมากนะ แต่ถึงยังไงก็ต้องสู้ถ้าเราไม่สู้ก็ไม่รู้จะให้ใครสู้เหมือนกันเพราะนั้นเราต้องสู้ต้องมีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจวันนี้หลวงพ่อเองอยากจะพูดให้ค ณ, ณะสัาาตยาธิโจมที่มานั่งฟังอยู่ที่ศาลาในเย็นวันนี้หลวงพ่อจะแจ้งข่าวการทําคุณประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนถ้าหลวงพ่อไม่กล่าวให้ฟัง ลูกหลานคณะศรัทธาญาติโยมก็คงจะไม่รู้ว่าวัดวาศาสนาช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างไรหรือว่าอยู่หมกอยู่ในป่าดวงพงภัยไม่ได้คิดได้อ่านอะไรแต่บางครั้งก่อด้พูดไปมากแต่การพูดทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราพูดให้ฟังเหมือนกับลักษณะขี้อวดอ่าเหมือนขี้อวดพอทำไปแล้วก็อวดอ้างแต่ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราไม่พูด พวกเราก็ไม่รู้ว่าวัดวาศาสนาครูบาอาจารย์เนี่ยท่านได้ช่วยเหลือชุมชนยังไงท่านได้คิดกับชุมชนอย่างไรพวกเราก็จะไม่รู้ถ้าพูดให้ฟังเหมือนกับลักษณะอย่างแ บ, บขี้อวดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดแต่หลวงพ่อไม่ได้อวดนะคณะสัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานคือพูดตามความเป็นจริงให้ฟังนะอันนี้คือส่วนหนึ่งเร็วๆเนี่ยแต่ส่วนก่อนๆหลวงพ่อจะไม่พูดนะ ไม่ใช่จะพูดเท่หาหรก็ามาพูดล้าเล็มลำซ้ำซากอยู่ก็ไปทำอย่างนั้นแต่พูดในเร็วๆนี่แหละเมื่อเร็วๆนี้คณะศัตตาญาติโยมคือคุณหมอที่ท่านเป็นผู้ใหญ่ในเมืองอุดอรยอยู่โรงพยาบาลศูนย์แต่เด็กที่ท่านก็ได้กเกษียณอายุแล้วท่านไปอยู่กรุงเทพท่านก็พิติ ก, กังวลเป็นห่วง ที่ท่านได้อยู่ที่จังหวัดอุดรจากนั้นท่านก็ได้มาหาหลวงพ่ อ, อพร้อมกับจดหมายในจดหมายนั้นท่านก็บอกว่าโรงพยาบาลศูนย์อุดรของเราเนี่ยไม่มีหมอหัวใจแต่มีอยู่หมอหัวใจแต่หมอทำบายพาดผ่าหัวใจไม่มีมีแต่หมอที่ว่าหัวใจเวลาเราไปแล้วโอ้แน่นหน้าอกอย่างนี้น เข้าไปกับหมอก็ให้ฉีดยาเข้าไปแล้วก็ให้ยาไตลิ้นอย่างนี้อย่างนั้นพออาการหนักก็ส่งไปโรงพยาบาลศูนย์ศิริกิตศู์ศูนย์หัวใจศิริกิตคือขอนแก่นก็มีแห่งเดียวที่จะทำปัญหาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่จะทำรีบทำในอุดอรนี่ไม่มีเพราะนั้นขณะนี้มีหมอมาจากจุฬาหมอมาจากจุฬา ท่านเก่งทางผ่าตัดหัวใจทำบายพัดได้แต่เป็นหมอนครพนมแล้วก็แต่งงานกับหมอสกลนครอายุก็ยังไม่มากแต่ก็มีฝีมือหนึ่งในห้าของจุฬาแต่ย้ายมาจากจะมาใกล้ครอบครัวนะั่นะใครๆก็มาอยู่เมืองเมืองอุดรแต่อันดับแรกท่านก็จะให้มาอุบลก่อนเพราะอุบลเป็น เขาผ่าตัดมีเครื่องมือที่อุบลขย้ายมาอุบลคือตามไม่จริงหมอที่มีฝีมือเนี่ยเขาจะย้ายไปที่ไหนเขาต้องดูซะก่อนว่ามีเครื่องมือไหมไม่ใช่ว่าย้ายไปแล้วไม่มีเครื่องมือหมอจะไปนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้หมอที่มีฝีมือเขาต้องให้ไปทํางานช่วยเหลือประชาชนแต่ได้มาอุบลพอมาอบนบลนะก็ขอย้ายมาอุดรแต่พอย้ายมาอุดรไม่มีเครื่องมือทเลอมีแต่หมอ สอสามท่านที่อยู่อุดอรเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นหมอที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างผ่าตัดยังทําอะไรไม่ได้แต่ได้หมอนี้มาถ้าก็ไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องมือหมอที่เป็นอาวุโสท่านก็เออน่าจะหาเครื่องมือมาให้หมอคนเนี้ยที่มีฝีมือน่ยเพราะอายุก็ยังไม่มาก30 40ปีตน้นต้นเองถ้าเรามีเครื่องมือหมอคนนี้ก็จะอยู่กับพวกเรานาน เขเลยมาหาหลวงพอ่อถึงมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อพิจารณาดูเท่าไหร่เครื่องมือตัวนี้เท่าไหร่เขาบอกตัวนี้ประมาณหนึ่งล้านห้าที่ตัวต่ที่ตัวต้องการมากนี่คือตัวล้านห้าแต่ตัวที่สองนี่คือสามล้านสามล้านก็คือปอดหัวใจเทียบอันนั้นคืออันดับสองแต่อันดับหนึ่งก็คือ 1, ล้านห้าลวงพ่ออึ้ ถ้าเพียงร้านห้าเนี่ยก็น่าจะรวบรวมคณาจัรธา ญ, ญาติโยมขหะบุดีเมืองอุดรได้ก็เลยนัดกันเลยตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนาหลวงพ่อว่าสิ้นเดือนกรกฎาน่าจะให้คำตอบนะแต่พอมาถึงสิ้นเดือนกรกฎาหลวงพ่อก็เลยทำหนังสือ ทางบริษัทบางอย่างบางแห่งก็เงียบไปก็ไม่ได้รับคำตอบหลวงพ่อที่ทำหนังสืออีกทีนี้ชักชวนพี่น้องชาวอุดรทนขหาบดีเมืองอุดรมีพวกขายรถมือสองบางขายรถยี่ห้อต่างๆและร้านทองพวกโรงสีที่เป็นขหาบดีหลวงพ่อก็ให้คณะสัายายโยมประสานเหมือนกันั้ และก็วันที่ยี่สิบนัดกันที่ตึกศูนย์ยาคารอุตราธรคือตึกสมเด็จพระสังฆราชทาวาคัยไปเมืองอุดรเข้าโรงพยาบาลที่เดินผ่านมีมีสมเด็จหพระสังฆราชยืนอยู่ใต้ถุนนั่นแหละหลังนั้น่ประชุมกันตรงนั้นอ่ะจากนั้นก็ได้ไประชุมกันก็มีข้าบดีประมาณชักยี่สิบหรือสามสิบคนมันวันนั้นแต่เนี่หลวงพ่อก็เป็นประธานฝ่ายสง แล้วก็มีพออโรงพยาบาลศูนย์แล้วก็มีนายแพทย์พยาบาลขหาบดีมารวมกันเขาก็สายสไลด์สายสไลด์คือสายหนังให้ดูวะวิธีการผ่าตัดแล้วทําทำยังไงผ่าตัดหวัวใจหลวงพ่อเห็นแล้วก็โอ้ะมองมองดูแล้วมันไม่เหมือนค น, นเป็นของหมูวะงั้นถ้าเป็นของคนคงจะเจ็บมากวะงั้นผ่าเขา้าไปหัวใจเต้นหูบับปูบับปูบับปูบับวะงั้น เห็นแล้ว<ภ>ก็เออเออแต่ ด, ด, ดีเขาใช้คีมนิ่ เ, ส, เส้นเลือดตอนนั้นเส้นเลือดตัวนี้เออเพื่อมาใส่หัวใจคือบายพาสเหมือนกันเหมือนบายพาสกเหมือนกับทางถนนรอบเมืองอย่างนั้นอ่ะคือถนนเข้าไปในเมืองมันติดอย่างนั้นอ่ะอพอมันติดเนี่ยเขาก็เลยบายพาสกันเขาว่าทางรอบเมืองอันนี้ก็เหมือนกันไอ้ไครเขาบอกเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจโดยตรงเน่ะมันตีบตันมันเส้นเลือดอุดนะ มันนี้เขาก็เลยผ่าตัดมาเขาก็เลยผ่าตัดอยู่ข้างนอกเนี่ยอไม่ให้มันผ่าหัวใจแต่มันให้มันเข้าข้ามมาอีกเออเส้นเลือดข้ามไปอีกคือเส้นเลือดเลี้ยงไปเลี้ยงหัวใจตามที่หมอบอกในวันก็นมีอยู่สี่เส้นนะเออถ้ามันตีบตันักเส้นสองเส้นคนเหนืยแล้วว่างั้นะแต่ตอนนี้เขาจะบรลรูนให้บายบายพาดให้ให้คนเขากดสาย สายชลัยให้ดูวันนั้นหลวงพ่อไปเห็นแล้โอ้โหหมอก็าบอกเขาทําได้อย่างเนี้ยถ้ามีเครื่องมือแต่ได้ก็ดูเครื่องมือตัวละเท่าไหรล้านห้าแล้วทุกตัวที่สําคัญที่ต้องใช้อีกล่ะหลวงพ่อก็ถามตัวที่สําคัญที่ต้องใช้ก็คือเครื่องถางเวลาผ่าหัวใจผ่าหน้าอกเสร็จแล้วก็ต้องมีเครื่องทังถ้าบ้านเราเขาเรียกว่าเรื่องเครื่องงะค น, นไป แงกระดูกออกเหมือนกันแงกระดูกให้มันทางออกแล้วก็ทําทําหัวใจเหมือ น, นตัวนี้ห้าแสนและอีกตัวหนึ่งอีกอยากจะได้อีกก็คือทางโรงพยาบาลอยากจะได้ก็คือเครื่องช่วยหายใจขณะเมื่อพาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะย้ายเตียงเนี่ยโดยมากเดี๋ยวนี้มันไม่มีในโรงพยาบาลเรามีแต่เวลาจะย้ายเตียงทีไรก็เวลาคนเขาก็ให้พยาบาลนั่ง อยู่บนรถเข็นแล้วก็จะบีบลูกโป่งเป็นจังหวะจังหวะอหมือนกันเพื่อช่วยหายใจค น, คนคนคนที่หมดสติน่ะจนไปถึงสถานที่เนี่ยค่อยเอาเครื่องช่วยหายใจเข้าเข้าช่วยเหมือนั้นแต่ถ้าว่ามีเครื่องตัวนี้เข้ามาเนี่ยพอเสร็จแล้วก็เสียบเครื่องเข้าไปเครื่องนี้มันจะทำงานเองโดยอัตโนมัติมันทำงานจนไปถึงที่แล้วก็ค่อยถอดออกก็ใส่เข้าไป อันนี้คือเครื่องตัวนี้ราคาหกแสนเหมือนกนเออโอ้อันนี้คื อ, คอจําเป็นแล้วก็ตัวหนึ่งถ้าหากว่าอมีทุนมากก็อยากจะได้เครื่องตัวนั้นคือเครื่องหัวใจเทียมปอดหัวใจเทียมในเมื่อพาเมื่อพาบายพาดหัวใจหัวใจหยุดเต้นในเมื่อหัวใจหยุดเต้นก็จะต้องใช้เครื่องปอดหัวใจเทียมสวมเข้าไปเลย เพื่อจะให้หัวใจเทียมเลยทํางานทํางานแทนหัวใจจริงเหมือนกันแต่ทำงานทํางานกระปอดปอดของหัวใจเทียมเลยทํางานทํางานอต่จนกว่าจะแก้ไขวิกฤตหัวใจจริงได้แล้วค่อยให้หัวใจจริงทํางานแล้วก็ถอดหัวใจเทียมออกอันนี้ก็ว่าตัวนี้จําเป็นแต่ไม่จําเป็นมากตัวนี้ถ้ามันมีวิกฤตขึ้นมาจงค่อยใช้ถ้าไม่มีวิกฤตก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้สามล้านอ๋อ ท่นี้หลวงพ่อรู้รแหละท่นี้เอิ่มเครื่องมือสี่ตัวที่จะต้องได้ใช้เนี่ยอตัวหนึ่งล้านห้าตัวหนึ่งห้าแสนตัวหนึ่งหกแสนตัวหนึ่งสามล้านหลวงพ่อก็เลยเอาตัวล้านห้าเนี่ยหลวงพ่อเขาต่อรองได้ไหมเพราว่าต่อรองลงสดุดแล้วนันแหละต่อรองสุดแล้วก็ต่ออีกเพราะว่าเนี่ยขหะพดีทั้งหลายเนี่ยที่มานั่งอยู่เนี่ย อ่ขอต่อรองอีกได้ไหมพอหลวงพ่อต่อรองเขาลดให้หนึ่งแสนน่ะเฮ้ลดให้หนึ่งแสนหลวงพ่อนี่นักต่อรองนีเลยอ่ได้หนึ่งแสนก็แปลว่าหนึ่งล้านสี่แสนอเอาตัวนี้พอใจเอาพอละตัวนี้แต่ตามจริงน่าจะลดลงอีกหน้าหลวงพ่อแต่ว่าเขาเต็มที่แล้วนะเออเอาเต็มที่ก็จบตอนนี้ก็พอต่อมาอีกตัวไอ้เครื่องง ห, งหัวใจเนี่ยตัวถังหัวใจเนี่ยถังหน้าอกเนี่ย 5้าแสนเห้าสนเนี่ยเท่าไรขอต่อลงมาอีกได้สี่แสนได้สี่แสนห้าแค่สี่แสนห้าขาว่าตัวนี้ต่อกันพอแรงแล้วเพะงั้นหลวงพ่อก็เลยไม่อยากจะพูดมากก็เลยเอ้าเอาสี่แสนห้ากับสี่แสนห้าตอนนี้มีเครื่องช่วยหายใจมาอีกเขาก็มาวางไว้ต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยนี่แหละเครื่องนี้ตัวนี้แหละจะช่วยหายใจเวลาผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เวลาจะย้ายคนป่วยหรือว่าย้ายคนที่หายใจตัวเองด้วยตัวตนเองไม่ได้เนี่ยจะต้องได้ใช้เครื่องตัวนี้ช่วยหายใจหลวงพ่อถามมาตัวละเท่าไหร่ตัวละหกแสนโอ้โหแล้วก็เลยถามอาจารย์หมอที่เป็นหัวหน้าผ่าตัดพอไหมอาจารย์หมอเครื่องเดียวโอ้ทับได้สองเครื่องก็จะดีหลวงพ่อเพราะว่าคนป่วยของเรานี่มีมากเหลือเกินเนี่ยผ่าตัดแต่ละครั้งเลยก่อนเดี๋ยวมันจะแย่งกัน ถ้าเป็นไปไ ด, ได้ได้สักสองเครื่องก็คงจะพอเหมาะว่าเงนหลวงพ่อก็เลยถามอาีกอ้าสองเครื่องเนี่ยเครื่องละหกแสนเนี่ยถ้าหลวงพ่อจะเอายกเว้นภาษีจ่ายสดไม่มีค่าคอมมิชชั่น ส, ส, สามแสนก็แล้วกันล้วหกแสนตัวละสามแสนได้ไหมแสองตัวนี้เขาเรียกตัวหกแสนใช่ไหมหลวงพ่อต่อ ต่อลงเป็นสามแสนสองตัวหกแสนครับเดี๋ยวผมไปปรึกษาบริษัทก่อนเขาก็เลยไปปรึกษาทางบริษัทเขาเลยเอาเอร่วมทาบุญด้วยเข้า่าเออเลยได้เครื่องเครื่องละสามเครื่องละสามแสนเป็นหกแสนเอีทีนี้ก็ได้สองเครื่องเนี่ะตัวนั้นคงจะไม่ไหวมั้งทีนี้วาก็เลยมาพูดกันทีนี้ก็เลยมาต่อรองกันมาหาเงินกันลงขันกันทีนี่ แหมพูละห้าแสนก็มีพูดคนละสองแสนก็มีคนละแสนก็มีห้าหมื่นก็มีผลที่สุดได้เงินมาไม่พอยังขาดอยู่ประมาณสี่แสนสี่แสนกว่าได้เงินมาสองล้านผลที่สุดก็เลยมีคนยกมือขึ้นเอปิดท้ายรายการมีอยู่สองท่านเหมือนกนท่านแหมผลที่สุดก็เลยเอา้ามีคนปิดท้ายรายการแล้วก็เลยได้เงินมาสองล้านห้าแสน สองล้านสี่แสนห้าหมืนถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดนะก็แปลว่าได้เครื่องสามตัวแต่ยังขาดอยู่เครื่องช่วยเนี่ยนะอปอดหัวใจเทียมเนี่ยนะหลวงพ่อก็ถามว่าปอดหัวใจเทียมมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนถามหมอผู้ผ่าตัดหมอผู้ผ่าตัดบอกว่าไม่จําเป็นมากแต่ก็จําเป็นบางทีมันก็ได้ใช้เพราะว่าเราผ่าตัดเข้าไปบางทีบางหัวใจนั้นอาจจะมีปัญหา หัวใจอาจจะหยุดเต้นถ้าหยุดเต้นแล้วจะทํำยังไงถ้าไม่ม like, wow, wow ีหัวนั้นตายแล้วหลวงพ่อกวะาว่ะพงพ่อก็พอได้ยินมาตายแล้วหลวงพ่อเลยถ้าไม่มีพราไม่มีเครื่องมือช่วยได้อมันจะทํำยังไงพ่าแล้วถ้าหัวใจหยุดเต้นก็มันก็จบแล้วหลวงพ่อกโอ้ถ้ามีหัวตัวนั้นเครื่องตัวนั้นล่ะถ้ามีเครื่องตัวนั้นเข้าไปก็มันก็คงจะมีส่วนช่วยได้ครับ หลวงพ่อก็เลยมาคิดอีกเอา้าถ้าอย่างงั้นเอาเพียงแค่นี้ก่อนอก็เลยนี่แหละก็เลยกำลังรวบรวมจะตุ ป, ปัจจัยกันอยูอนะ่คิดว่าอีกไม่กี่วนันก็คงมาเซ็นสัญญากันซื้อละท่นี่แต่ว่าเครื่องนี้ยังไม่มีในอุดรของเราเนี่ยเครื่องที่จะทาผ่าตัดหวัวใจเนี่ยยังไม่มเีเดี๋ยวเนี่ย เ, เราเียงต่ไปขอนแก่นบางทีคนส่งคนไปขอนแก่นก็ตาย แต่หลวงพ่อก็บอกในที่ประชุมว่าโรคหัวใจนี่นะถ้าจะว่าไปแล้วคือบ้านนอกก็คงบางทีก็เข้ามาไม่ถึงก็ตายก่อนหัวใจล้มเหลวหัวใจวายอย่างนี้ล็อกแน่นหน้าอกอย่างนี้เช่นเลือดไปอุดตันในเช่นเลือดอย่างนี้ในหัวใจอย่างนี้โดยมากบ้านนอกก็เข้ามาไม่ถึงแต่ถึงจะเข้ามาถึงก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่โดยมากโรคนี้จะเป็นโรคผู้มีอันจะกิน ผู้ที่รวยพูดง่ายๆทํามาค้าขายปกราชการทั้งหลายพอทํางานเสร็จแล้วก็เป็นนั่งเก้าอี้ไม่ได้ออกกําลังกายผลที่สุดไขมันในเม็ดเลือดสูงแล้วก็ไปอุดหวัวใจแล้วก็ตายโดยมากเป็นโรคโรคนะี้เป็นโรคคนรวยหลวงพอว่างั้นนะเพราะนั้นขอให้คนรวยทั้งหลายช่วยช่วยกันนะไม่ใช่ช่วยคนอื่นนะช่วยตัวเองนะ ถ้าตัวเองไม่เป็นก็คงลูกหลานญาติพี่น้องของเรานั่นแหละให้ช่วยกันออกทุนเสียสละทัพทรัพย์ทุนทรัพย์ช่วยๆกันก็เลยได้จจตุปัจจัยน่นหละแลอีกที่ว่าอีกไม่นานแ ล, แล้วก็จะสั่งของพอสั่งของเขาก็บอกว่าเมื่อสั่งแล้วอย่างน้อยสักหกสิบวันถึงเก้าสิบวันจะได้ของในเมื่อได้ของมาแล้วก็ใช้ประมาณสักกี่เดือนจ่ายเงิน จากนั้นเขารับประกันสองปีเครื่องมือแพทย์จุดนี้นะนี่แหละอันนี้ก็คือแต่หลวงพ่อก็ามาพิจรารณาอีกส่วนหนึ่งหลวงพ่อกกําลังหาสมัครพักพ่วกอีกท่านนี่หาญาติหาโยมของหลวงพ่อนี่แหละอแล้วก็จะตุปัจจัยของวัดของเราเนี่ยนะคิดว่าจะเอาเครื่องตัวนั้นนะ่ะเครื่องตัวสามล้านหนะ่ยแต่คงจะมาต่อรองลงอีกไม่รู้เขาจะลดให้เท่าไหร่ ถ้าได้เครื่องตัวนั้นมาอีกก็จะเป็นที่สมบูรณ์ที่สุดในการผ่าตัดบายพาสเนะี่แต่ถ้าว่าถ้าบายพาสยังไม่เพียงทำบายพาสได้นะแต่ถ้าทำบอลรูนอีบอลูนต้องไปขอนแกนอกีกเครื่องทำบอลลูนเนี่ยหลวงพ่อถามว่าศูนย์หัวใจสิริกิตเนี่ยที่ทำบอลรูนได้คือแยงเส้นรวดเข้าไปทะลวง ที่เม็ดเลือดที่เร า, าไขมันที่มันอยู่ในเส้นเลือดที่มันอุดนะ่ะตัวนี้นะ่ะที่ว่าเส้นเลือดตีบเนี่ยตัวนี้เท่าไหร่เขาบอกว่าตัวหนึ่งยี่สิบห้าล้านแต่ถ้าหาว่าสมบูรณ์จริงก็คือตัวหนึ่งสามสิบห้าล้านโอหลวงพอ่อตัวนั้นคงไม่ไหวมันแพงเกินไปเอาตัวนี้ก่อนนะเออเาตัวขนาดนี้กอดไปนี่แหละก็เลยตกลงกันแต่หมอที่ท่านจะทําก็เป็นขอหมอนครปนมท่านก็เข้ามา ขอบคุณหลวงพอ่อขอบคุณแล้วขอบคุณอีกเหมือนกันท่านบอกอมผมจะทํางานให้เต็มที่หลวงพอ่ออผมจะทํางา น, จ, น, จ, นจุดความสามารถของผมที่ตลวงพ่อและคณะอได้มอบความไว้วางใจที่หาเครื่องมือให้ผมได้ทํางานนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อได้ช่วยอได้คิดช่วยพี่น้องประชาชนอไม่ได้ดูดายในเรื่องเครื่อง สุขภาพร่างกายของพี่น้องประชาชนส่วนเรื่องการศึกษาหลวงพ่อก็ได้ทำอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอันนี้ก็คือกิจกรรมของวัดเราที่ช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มในหมู่ในคณะของพวกเราถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังพวกเราก็คงไม่ไ ม, ไม่รู้ว่านั่นแหละที่หลวงพ่อได้ทากิจกรรม เร็วๆเนี่ยเมื่อวันที่20สิงหาที่ผ่านมาที่ตึกสัญญาคารุตราธรที่อุดร น, นะแล้วก็อีกไม่กี่วันก็คงจะเครื่องมือแพทย์ก็คงจะมาเซ็นสัญญากันอแล้วก็คงจะซื้อขายกันหลวงพ่อ ก, ก็คงจะเป็นสักขีพยานเพราะว่าถ้าสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อเป็นปูนซีเมนต์นะคณะสัตยาญาณโยมเน่เป็นหินเป็นทรายอ แต่ถ้าเป็นเห็นเป็นทรายอยู่คนละก้อนกันมันก็ไม่พนึกไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นกลุ่มไม่เป็นผนึกจะทําสิ่งไหนไม่เกิดประโยชน์เพราะมันเป็นเม็ดหินเม็ดทรายคนละก้อนกันคนละเม็ดกันแต่หลวงพ่อเป็นปูนซีเมนปูนซีเมนกับทรายกับปูนคลุกกันหลวงพ่อเนี่ยเป็นกาวเป็นกาวแล้วยึดทั้งเปล็ดทั้งหินทั้งทรายแบบนั้นอะให้เป็นเป็นก้อนขึ้นมา เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในชุมชนสังคมแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ดูดายสิ่งไหนที่พอจะช่วยจะตุปปัจจัยของวัดเอาออกไปช่วยเหมือนกันแต่คราวนี้แต่ยังเพราะยังยังดูหมัดตัว น, นั้นพอมันพอจุดนั้นหลวงพ่อก็เลยหยุดไว้ก่อนแต่มาดูตัว น, นั้น่ะตัวแต่ปอดหัวใจเทียมนยหลวงพ่อก็อคงจะคิดจุดนี้อีกฮอันนี้แหละคือเราจะต้องได้ช่วยกันอีกครั้งหนึง่ง จตุปัจจัยของวัดทำมีเท่าไหร่ก็หลวงพ่อก็จะทุ่มทุมลงช่วยจุดนี้เหมือนกันเพื่ออยากจะให้มันสมบูรณ์เหมือนกันก็ อ, อยากจะให้สมบูรณ์ในงานครั้งนี้นในการผ่าตัดเกี่ยวกับหัวใจ่ะอันนี้ก็ขอแจ้งข่าวให้คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนรับทราบนะและก็วันนี้เป็นวันพระอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวก็อยากจะให้คณะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่า วันนี้หลวงพ่อเห็นพวกเรามาไหว้พระทำวัดเย็นน่าจะได้ฟังโอวาทของหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นแล้วก็ภาคภูมิใจเต็มศาลาเลยวันนี้มาจากจารุรทิดมาหลายแห่งหนมาเพื่อไหว้พระจากนั้นก็จะได้ฟังธรรมเทศนาจากนั้นต่อไปหลวงพ่อจะให้นั่งปฏิบัติธรรมนะ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 ตอบตัวเองก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไปอะไรเพราะนั้นถ้าพวกเราได้มาฟังและมาศึกษาและมาปฏิบัติด้วยตนเองพวกเราจะได้คำตอบในใจของพวกเราเองการมาไหว้พระก็ดีการมาฟังก็ดีการมานั่งภาวนาปฏิบัติก็ดีเราได้อะไรมันอยู่ในใจของเราทั้งหมดสรุปแล้วก็คือ เราหาอาหารเข้าสู่ใจอาหารร่างกายก็อย่างพวกเราแสวงหาทรัพย์เงินคำทรัพย์สมบัติที่พวกเราหาทำการทำงานเงินเรือนทำมาค้าขายทุกอย่างอันนี้คือเมื่อได้เงินมาแล้วเราก็ไปซื้อข้าวน้ำโพชนะอาหารผ้านุ่งห่ม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 เอาอาหารเข้าสู่จิตใจนั้นท่านทำอย่างไรถ้าจิตใจของเราไม่ได้รับอาหารจิตใจของเราหิวโหยจิตใจของเราเมื่อยลา้าจิตใจของเราเบื่ อ, อ, อหอน่ายจิตใจของเราไม่กระตือรือร้นจิตใจของเราไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่เป็นวันๆไปชังกระตายเป็นวันๆไปจากนั้นก็หาสิ่ง ที่เป็นอัปมงคลเข้ามาเพื่อเป็นเครื่องอยู่บางทีก็การพนงบงั่งการพนันบ้างสุราบาั่งนาลีบังงพาชีกีฬาบัตรอะไรทุกอย่างที่มันเพื่อจะให้ตัวเองอยู่เป็นวันๆสนุกไปอยู่เป็นวันๆจากนั้นก็จบไปชีวิตหนึ่งเพราะเหตุว่าเราไม่ได้ศึกษาเราหาอาหารเข้าสู่จิตใจไม่ได้เราหาแต่สิ่งที่เป็นพิษเป็นพิษเข้าสู่จิตใจเพราะนั้น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 ภาวนาเพื่อหาทางพ้นทุกข์คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เป็นบุพการีในทางธรรมเป็นผู้มีอุปการะกอดอันนี้เราแสดงความกตัญญูกตเวทติตาอย่างไรต่อพระพุทธเจ้าเราก็เนี่ ย, ก, ยกราบไหว้สักการะบูชายึดเป็นพุทธังทำ ม, มังสังขังสรารนางคัตฉามิข้าไปเจ้าขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชนะเป็นที่พึ่ง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 ช้ำ อ, อกช้ำใจกับลูกตนเองพูดก็ไม่ได้พูดแรงก็ไม่ได้กลัวลูกเสีย อ, อกเสียใจอย่างนั้นใช่ไหมเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราทบทวนดูพวกเราเหมือนกันอย่าให้พ่อแม่ของเราหนับใจเพราะท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเราจะทดแทนอย่างไรเราจะเอาแต่สิ่งชั่วยชา้าลามกเหนือยทดแทนพระปุณของท่านท่านเบือ่อท่านไม่แม้ต้องการแต่ท่านพูดไม่ออกเพราะนั้นเราต้องเอาคุณงามความดีเอาต้อง เอาศีลเอาธรรมเอาการมีน้ำใจเอามีเมตตาการเสียสละต่อพระคุณของท่านอย่างเนี้ยเราก็ควรจะทดแทนพระคุณของพ่อของแม่อันนี้ก็คือบุพภาการีที่สบุพภาการีที่สก็คือเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ท่านปกครองประเทศชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่ดึกําบันพวกเราคิดดูใช่ตั้งแต่พ่อคุณศรีอินทร athi พ่อคุณรามกําแหง กุงเสียยุธยาอย่างเนี้ยแส้สู้รบตบศึกมาจนพอแรงเป็นทอดทอดมาจนถึงปัจจุบัน mm hmm. การล้วนแล้วจะเป็นแส้เจ้าฟ้าเจ้าปฏิปิภผู้ปกครองมาถึงยุคนี้สมัยนี้เขื่อนที่ไหนแม่น้ําที่ไหนที่ท่านช่วยช่วยดูแลเป็นโครงการพระราชดำริอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือเป็นบุพการีส่วนหนึ่งที่ท่านได้เลี้ยงดูในการเป็นอยู่ของพวกเรา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 ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือการสะแสวงหาปัจจัยสี่เพื่อเลี้ยงชีพแต่ส่วนที่จะทําให้จิตใจของพวกเราอาหารเข้าสู่จิตใจจริงๆนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้แก่พวกเราน่ยคือสมาธิที่นี่สมาธิทําจิตใจอย่างไรจึงใจิตใจของเราจึงจะสงบจึงจะนิ่งจึงจะรู้เหตุรู้ผลถ้าจิตใจของเราปุ่งฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาเวลํามเวลา เราจะมองไม่เห็นสิ่งควรไม่ควรสิ่งดีสิ่งชั่วอเหมือนกับเราวิ่งเมื่อเราวิ่งเราจะมองไม่เห็นตัวมดตัวมแมลงตัวอะไรทั้งหมดเหตุแต่ใหญ่ใ ญ, ใ ญ, ใญ่ที่มองเห็นเพลเผล่ก็ไม่ให้ความสําคัญในการเห็นอีกต่างหากเพราะมันเราวิ่งแต่เราหยุดหยุดที่ไหนเมื่อเราหยุดเราหยุดนิ่งเราจะมองดูรอบข้างของเราเราจะเห็น ม ด, มดมดแมลงต่างๆเราจะเห็นได้ถ้าน้ำมันนิ่งน้ำไม่กระเพื่อเราก็มองเห็นเห็นหน้าในเห็นช่องลงไป ก, เเ ก, กเ็เห็นเงาหน้าในกระจกเหมือนเหมือนเห็นเงาหน้าในน้ำแทนกระจกได้พอน้ำมันนิ่งน้ำไม่กระเพื่อเพราะนั้นสิ่งที่นิ่งมีมากมายหลายอย่างที่เราเปรียบเทียบไกลของเรานิ่ง ก็เหมือนกันเมื่อจิตใจของเรานิ่งเราจะมองเห็นสิ่งดีสิ่งชั่วสิ่งควรไม่ควรควรครับควรทำควรพูดนะถ้าว่าจิตใจของเราไม่เคยสงบเสยเลยจิตใจของเราปุ่งฟุ้งซ่านอยู่ตลอดพูดไปแล้วก็ไม่รับผิดชอบในคำพูดของตนเองอย่างนี้ยอันนั้นแปลว่าจะเป็นคนดีไม่ได้เพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านจรงสอนให้วิธีการทาจิตใจให้สงบได้ทาอย่างไร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 เป็นทอดทอดมาเนี่ยท่านบอกว่ากรรมฐานกาหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ถูกกับจริตเกือบทุกจริตเกือบทุกจริตไม่ใช่ว่าแต่ว่าเกือบนะไม่ใช่ทุกจริตนะเกือบทุกจริตกำหนดลมหายใจเข้าออกท่านาว่าวิตกจริตคนที่มีวิตกกังวลก็กำหนดลมหายใจคนที่โทสะจริตโมโทจะ โทจจษใจจิตคือคนมีความโกรธในใจก็ให้มาดูลมหายใจเขาออกอระงับความโกรธได้ราคะจรทิตก็เหมือนกันอโมหะใจรทิตคือความรุ่มหลงคิดปรุงฟุ้งอยู่ตลอดมันหลงอันนี้ก็ให้กําหนดลมหายใจให้ตั้งสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็อแก้ได้เอแต่ว่าถ้าหาว่าเมื่อเราภาวนาไปแล้ว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 อย่างเราขายมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันเราจะทํายังไงถึงจะขาดทุนตัวนั้นจึงค่ได้กําไรเอาตัวไหนมาอย่างนี้มันมีช่องทางนี้ก็เหมือนกันถ้าเรานั่งภาวนาเนี่ยเรากําหนดลมหายใจเข้าออกหรือเราภาวนาเราก็มีช่องทางอีกเหมือนกันถ้าเมื่อเราลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วว่าทํำยังไงใจของเราจรึงจะสงบใจของเราที่มันปุงฟุ้งทุกวันนี้เพราะอะไรสาเหตุมาจากไหนมันทําอะไรแล้วจะทำยังไงจะแก้ไขยอย่างไร ถ้าว่าเราปรบมือประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะรู้จักช่องทางรู้จักทางที่เราจะประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่าน เ, เมื่อเราไม่รู้จักทางท่านก่อนชีท้ทางให้ก่อนอแนะบอกให้ก่อนเป็นเบื้องต้นว่ากําหนดลมหายใจเข้าออกหนะ้าถ้าเรารู้จักช่องทางแล้วยังค่อยหาช่องทางอื่นอันนี้คืออันดับแรกให้กําหนดลมหายใจเข้า หายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทพุทโทพุทโทพุทโทนะอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกแห่บริกรรมอยู่หายใจเข้าหายใจออกแต่พวกเราไม่ชำนิชำนาญหรือไม่รู้ว่าลมหายใจเข้าออกนับเป็นยังไงเราไม่เคยกําหนดเราหายใจแรงๆหลวงพ่อแนะนำนะให้หายใจทางแดนสืบหายใจเข้าไปลมสืบลมเข้าไปแหรงกระแทกลมออกไปทางแรงจากนั้นก็ค่อยผ่อนลงผ่อนลงผ่อนลง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 ให้เป็นธรรมชาติที่สุดในการหายใจเข้าออกหายใจเข้ารบกระทบเราบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทพุทธโทพุทธโธออันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่หลวงพ่อเคยแนะนํากับคณะสัตยา ญ, ญาณโยมที่จะเห็นได้ชัดในการนั่งภาวนานจิตใจมันจะจุดออกเวลาไหนเนี่ยหลวงพ่อว่าให้ให้นับดูน ะ, ะถ้าเรานับดูอันนี้เราจะเห็นเห็นได้ชัดกับผู้ลิเร่มใหม่ หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองนับถึงร้อยมันเผลอไหมมันเผลอมันเป็นยังไงถ้ามันเผเล่เวลาหายใจเข้านี่อหายใจเข้าเป็นเลขขี้ใช่ไหมหนึ่งหายใจออกเป็นคู่สองหายใจเข้าสามหายใจออกสี่มันนับไปเลยขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่้คู่ไปถึงร้อยไม่เผลอแปลว่าสติของเราดีหนึ่งนาทีกว่ากนับถึงร้อยแต่ถ้ามันจะเผล่เนี่ยเวลาหายใจเข้าน อ้าเขาบอกว่าหายใจเข้ายี่สิบสองหายใจออกยี่สิบสามหายใจเข้าเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขคี่ อ, อ, ขขอันนี้แปลว่าสติเราขาดไปแล้วในช่วงนั้นอันนี้เราตั้งต้นใหม่เนี่ยนะพิธีการที่ที่จะฝึกขัดสติเป็นเบื้องต้นจากนั้นก็เอาเฟกอกฝึกหลายครั้งต่อหลายหนอ่ะสติของเราก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆสติของเราก็ตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆเราตั้งให้เข้มแข็งขึ้นกว่านั้นอีก เอ่เหมือนกับเราตั้งมันอ่อนพยายามหมุนท่ามันแข็งขึ้นเอกแน่พอตั้งขึ้นให้แข็งขึ้นเองพอในสุดมันก็มันก็ไปได้มันก็ไม่ขาดจิตใจไหนเนี่ยนแะแต่ว่าคนขาดจิติมากๆพอบริกรรมไปสองสามนาทีขาดเอาขาดเอาอย่าไปคิดสนุกกับมันนะโอ้ข่าขาดจิตเออข่าขาดจิตไม่ได้นะถ้าขาดมากๆนี่ยเป็นบ้าได้ง่ายๆเหมือนกันนะ่ะคนขาดจิติมันไม่ใช่ของดีนะ เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้สติคนที่มีสติอยู่แล้วจะไม่เป็นบ้าพูดองั้นได้เลยแต่ถ้าคนขาดมากๆหรือมีส่วนนะคิดปุดคิดปัดคิดปุตคิดปั ด, ด, ปดไม่กินนั้นไม่ถี่หายใจหมดไปตั้งสติไม่ได้เลยอันนั้นไม่ดีเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราตั้งสติอันนี้บริกรรมเห็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะแต่ว่าก่อนที่จะทํา ก่อนที่จะนั่งสมาธิหลวงพ่อเคยแนะนำคณะจัทตารา ย, ายาิโยมทุกหมู่ทุกเหล่าเวลาเราไหว้พระสก่อนอรหงังสวากาโตสุปฏิปันโนนะโมตัสสะพุทธังธรรมังสังขังจาะกะแผ่เมตตาแงข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาเนี่ยอันนี้คือแผ่เมตตาสก่อน เมื่อแผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คอยนั่งภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธนี่แหละ ว, วิธีการนั่งภาวนาไม่ยากถ้าเรารู้จักวิธีนะจากนั้นแล้วเมื่อนั่งไปแล้วแลวผลมันเป็นยังไงผลที่สืบเนื่องมันเป็นยังไงและมันได้ประโยชน์อะไรเนะี่ยพวกเราก็อยากจะถามอีกเหมือนกันการนั่งภาวนามันได้ประโยชน์อะไร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 ควรทำยังไงเราอยู่ในสถานะไหนขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เราก็อ่านออกประวัตการเป็นอยู่ของเราเราก็อ่านสถานะของตนเองออกและวางตัวอย่างไรอันนี้ก็คือเมื่อเรามีสติจากนั้นเมื่อเรามีสติทำไปเรื่อยๆสติของเราอยู่กับตัวเมื่อเท่าแก่ชลาบขึ้นมาสติของเราก็จะไม่ขาด เมื่อเท่าแก่ชราเราก็รู้จักวางตัวเมื่ออายุมากถ้าว่าเราไม่เคยฝึกเรื่องสติเชเลยเมื่อเท่าแก่เข้ามาแล้วชราโรคชราเข้ามาครอบงาำแล้วทุกคนจะต้องชลาไม่หลีกหีนีพ้นไม่ได้ล้เรื่องชราเนี่ยผลที่นนสุดถ้าเมื่อเราไม่เคยฝึกสติเชเลยเมื่อเท่าแก่ชรามาในสติของเราจะเลือนลางอันไซเมอร์ก็จะเข้ามาเยือนง่ายๆทีนี้ จากนั้นก็หลงลืมให้กินข้าวแล้วก็ว่าไม่ได้กินไปที่ไหนก่อนไม่ได้ไปผลที่สุดก็เลยหลงหน้าลืมหลังไปเรื่อยอันนี้แหละคือการไม่ได้ฝึกสติถ้าเราฝึกเอาไว้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรานานเท่านานทีเดียวใครเข้ า, ามีสติอยู่กับตนเองนี่แหละอันนี้มีสติมีสติสัมปชัญญะอยู่ในตัวแล้วีทไงถ้ามากกว่านั้นะอะไรเทไ ถ้ามากกว่านั้นคนนั่งภาวนามีสติสำปชัญญะเมื่อนั่งภาวนาเรามีสติพิจารณาใช้วิปัสนาเอ า, เอาสติที่ได้ฝึกมาจากสมาธิดีแล้วนำมาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลก็ถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, กจิตใจได้เพราะเหตุใดเพราะจิตใจของเราฝึกเรื่องสมาธิดีแล้วจากนั้นก็นามาพิจารณา เห็นอันเนจังทุกขาังอันาตาเห็นความเกิดแก่เย็บตายของร่างกายเพราะชีวิตของทั้งชีวิตของพวกเราเนี่ยมันจุดจบของชีวิตคืออะไรแต่พูดมาถึงจุดนี้เหมือนกับพวกเราพระพูดที่ไรไม่ไดเอาความตายมาขู่กันไม่ใช่พวกเราอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นไปว่ามันจุดมันสุดมันหดหู่แต่ตามไม่จริงเพราะพระ大爷เจ้าสอนให้พวกเรา คิดไว้อยู่เสมออมรณภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ร้ายแรงเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของมนุษย์ไม่มีใครที่จะหลีกลีน่นหนีพ้นไปได้เพราะฉะนั้นต้องคิดไว้คิดให้ช้ำช้ำซากคิดให้ช่ําชองคิดหาวิธีการว่าเราจะทํำยังไงจึงจะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายอีกอีกฮะ อ, อันนี้พระพุทธเจ้าสอนให้คิดคิดไว้ดูในใจถ้าคนมีคิดถึงความตายคือคิดมรณภัยอยู่ใน จ, ใจิตใจ สิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องเราจะไม่ทำเพราะเหตุว่าเราทำไปแล้วเนี่ยชีวิตของเราก็เท่านั้นถึงจะโมโหโกธาโกธให้เขาไปฆ่าเขาเข้าดฆ่าเขาเข้าเดี เ, เราได้อะไรเอมันก็ได้เพียงฆ่าเขาเท่านั้นทำบาป ร, รมให้กดตัวเองอีกต่างหากเทนเพราะนั้นชีวิตทั้งชีวิตของเราเราจะทำยังไงจึงจะถูกต้องจึงจะไปรอดถึงจะ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 เราต้องสดแสวงหาสุดความสามารถของเราในเมื่อสุดความสามารถของเราเราก็ต้องเ อ, อื้อบุญวาสนาบา ร, รมีของเราเราคงได้ทํามาเพียงแค่นี้ในชาตินี้ อ, อต่อไปเราคงจะ ส, งสร้างคุณงามความดีให้มากกว่านี้ออบุญบารมีของเราจึงจะเกื้อหนุนเกือ้อกุลหนุนเราเออให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละอันนี้ก็คือให้สั่งสมบุญคนที่มีบุญเช่นอย่างนะเนี่อยศถานบรรดาศักดิ์ทั้งหลาย เงินคำทรัพย์สมบัติทั้งหลายเกียรติยศทั้งหลายจะมาเองคนที่มีบุญอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสมบางชาติถึงกับตกทุกข์ไดยากก็มีบางชาติก็เป็นเกิดเป็นสัตว์ที่ระชานก็มีอย่างชาติหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านใช้ชาติเป็นกวางพระพุทธเจ้าท่านยังได้เป็นกวางนะท่านประทับอยู่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารพระสงฆ์ทั้งหลาย ไปชุมกันที่ศาลาท่านก็พูดโอ้พระเทวทัตเนี่ยกันแกล้งพระพุทธเจ้ามากมาหลายอย่างทั้งที่พระพุทธเจ้าวบวชให้บวชให้พระเทวทัตแล้วก็ผลที่สุดก็นะ่าจ้างนายขมังธนูเพื่อมายิงพระพุทธเจา้ากลิ่งหินจากภูเขามาให้ทับพระพุทธเจา้าปล่อยช้างนาลาคิลิง เ, เพื่อจะให้บทมา แทงพระพุทธเจ้าเนี่ยเจ้านั้นก็ยุโยงสงให้แตกกันออกจากพระพุทธเจ้าเทวทัตเดี๋ยวไม่มีการสร้างสรรค์กับพระพุทธเจ้าเลยมีแตแต่หาเรื่องหาเราเมแต่หาสิ่งที่ไม่ดีทึ้งที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนําสั่งสอนเป็นผู้บอกกล่าวนะพระสงฆ์สนทนากันฉานั้นพระพุทธเจ้าก็เจเดตมาที่สาลาเพราะพระสงฆ์ทั้งหลายพวกเธอสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเนี่ย บอกว่าเนี่ยพระเทวทัตหลังแก่พระพุทธจเจ้าเบียดเบียนพระพุทธเจ้าหลายอย่างพระโตองค์บอกว่าเรื่องเทวทัตเบียดเบียนเรานะไม่ใช่แต่พบนี้ชาตินี้เท่านั้นมีมากมายแต่ชาติหนึ่งะ เ, เราได้เป็นกวางเทวทัตได้เป็นพรานในชาตินั้นก่อนเนี่ย เ, เรากเ็เกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันพระสงฆ์เลยถามาเป็นเรื่องอย่างไรพระเจ้าค่ะพระโองค์ก็บอกว่า สมัยนั้นเราเป็นกวางพระเทวทัตเป็นพลานในกรุงสมัยนั้นพร ะ, พระเจ้าพ ม, มาทัตคลองรา ช, ชาสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีแต่มาอยู่ในเขตกรุงพาราณสีจากนั้นยพลานเนี่ยชอบฆ่าพวกสัตว์ป่าพวกเก้งพวกเก้งพวกกวางพวกเลี้ยงผาอะไรที่มันมากินผ ล, ละมากรากไม้ ตามหน้าฤดูกาลถ้าผลสัดมากินต้นไม้ตัวไหนผานผานป่าคนนั้นก็จะขึ้นไปนั่งคัดท่างอยู่ในต้นไม้ชุ่มสูงคนะัดขึ้นมาแล้วก็พุ่งหลาวลงมาใส่สัตว์ว่าไงแต่เขาพุ่งเขาพุ่งแม่นว่าไงแต่ตุกวันนี้ก็คงจะเป็นปืนผาหน้าไม้อย่างนั้นนะ่ะแต่สมัยนั้นมันคงจะไม่มีมันคงจะพุ่งหลานะ่ะ ใส่พวกเกงพวกกวางแต่เนี้กวางพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นกวางที่รอบคอบเป็นกวางที่มีปัญญาก่อนที่จะเข้าต้นไม้เนี่ยกวางตัวนี้ก็ไปยืนอยู่ห่างๆเหมืนกนะห่างต้นไม้เออใครเข้าอรับรับล่อๆดูดูยืนสังเกตสังกาอยู่เงั้นเออจะมีคนไหมเออจะเป็นอันตรายไหม้ที่จะเข้าไปเนี่ย พระโพธิสัตว์เนี่ยมันเป็นค่ายๆหมเกิดมาจากจิตใจในความรอบครอบเนะี่ยแต่นั้นกลางท่า น, นก็ยืนไปยืนมาเอพกพกพรานที่อยู่ต้นไม้ที่นั่งห้างอยู่ข้างบนนะเนี่ยเออธรรมน์มันไม่เข้ามาว่ะเออทีนี้ก็เลยเก็บได้ลูกกระบอกควางั้นแนตะ่ท่านเป็นห้างเป็นนั่งห้างอยู่ต้นมะรืนนะภาษาภาษาทางภาคกลางว่าต้นมะรืนแต่ตามพุทธิ์เป็นต้นกระบกบ้านเราเนะ่ย ต้นลูกกระบอกเนะี่ยเดี๋ยวนี้กําลังหน้าฝนนี่กําลังลูกกระบกกําลังออกเนะี่ยคงจะมากินหน้านี้กับมังจากนั้นพลานกา็จับลูกกระบกได้กูเวียงไปหากันไปหากวางไปให้มันตกไปใกล้ๆ ก, ก, กวางเพื่อจะให้กวางเกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็กินลูกกระบกติดใจแล้วก็เดินเข้ามาไปจะได้พุ่งหรอหอกแหลนเหลาใส่ได้ง่ายง่ายอย่างนั้นนะแค่นี้กวางแค่นะี้กับ เหลือบขึ้นไปเห็นแห่ะเหลือบขึ้นไปเห็นไงกวางก็เลยคล้ายๆว่าคงจะมันก็คงจะร้องเป็นภาษากวางนะคงจะปี๊บปี๊บอย่างนี้ก็มั้งกวางมันร้องนะเท่ดิเท่ ด, ด, ดิกวางกับเก่าเป็นคําภาษาของมันว่าอลูกกระบอกทําไมเธอจึงหล่นไกลต้นนักตามปกติ ผ ล, ลไม้มันไม่หล่นไกลต้นนะมันหล่นใกล้จต้นแต่บัดนี้ทําไมเจ้าจึงหล่นมาตกมาถึงไกลถึงถึงเรามันห่างจากต้นไกลเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราไม่ชอบใจกับเจ้าทําไมเจ้าจึงหล่นไกลถึงขนาดนี้ก้าเราไม่กินเจ้าหรอกเราไม่พอใจในเจ้าที่หล่นมาไกลขนาดนี้ค่าเราจะไปกินต้นไม้ต้นอื่นหรอกค่าไม่ชอบใจ เพราะนั้นพลานที่อยู่ต้นไม้ก็เลยพุ่งเหลาไปใส่มันไกลแล้วมันก็ไม่ถูกฮะมันก็เลยพลาดไปฮก็เลยพูดเอ้ยเราพุ่งเหลาไปพลาดไปว่าขาวนะี่ยเออแกจะไปที่ไหนก็ไปวะนะ่าไงแกวางตอนนั้นก็เลยเป๊ะๆไปมันก็เลยบอกว่ากวางตอนนั้นเป็นพูดเป็นภาษาใจวะ่ะถึงถึงท่านจะพุ่งเหลาพลาดไปอืมก็จริง แต่ท่านไม่พลาดนรกแน่ๆเพราะเหตุไยเพราะท่านได้ฆ่าสัตว์พวกกวางพวกเก้งพวกเลี้ยงผาที่มากินผลไม้ละผละหมากลากไม้ท่านเป็นผู้เบียดเบียนสัตว์เป็นมือเป็นผู้มีมือเปื้อนในการฆ่าสัตว์อยู่ตลอดเวลาถึงท่านจะพลาดข้าพเจ้าในคราวนี้แต่ท่านไม่พลาดนรกเป็นแน่นอนกวางตัวนั้นมันกล่าวขึ้นมาเหมือนกันนะ จากนั้นกวางตอนนั้นก็เลยเดินไปหากินต้นไม้ที่อื่นต่อไป น, ะนี่นแหละชาดกในเรื่องนี้ท่านก็สอนว่าอย่าเบียดเบียนจึงกันละกันให้รู้จักผู้มีอุปกรณคุณอย่างพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนําสั่งสอนก็ให้รู้จักแล้วก็อย่าเบียดเบียนสัตว์อถ้าว่าเราเบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์นถึงจะพลาดโอกาสในชาตินี้ชาติต่อไปพวกเราก ไม่พลาดนรกเหมือนกันแตำชั่วอย่าทำเสลยดีกว่าเพราะคำชั่วนั้นย่อมให้ผลเผาผลาญเราเมื่อภายหลังเนี่ยเพราะหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกแล้วว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกพวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดให้นั่งภาวนาเนีย่ยวิธีการอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวท่านนั่งภาวนาจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่ง เมื่อรวมสงบเป็นหนึ่งแล้วพวกเราจะรู้ได้โอ้จิตสงบเนี่ยร่างกายกับใจนี่เป็นคนละส่วนกันเป็นคนละอ่านกาันเห็นได้ชัดร่างกายกับใจนี่ร่างกายคือรูปธปรรมจิตใจคือนามธรรมแต่อาศัยกันอยู่แต่ตัวนามธรรมนี่จะต้องไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่อื่นได้เป็นสูงเป็นต่ําได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระหานได้เป็นพระอริยบุคคลได้ ตกนรกหมกไหมได้เรื่องใจเนี่ยแต่เรื่องกายนเนี่ยเน่เป็นสัตว์ทีรไรฉานมันก็เป็นช้างม้าวัวควายแต่พอออกจากจิตใจออกจากร่างนะมันก็ไปหาเกิดอีกแต่จิตใจของมนุษย์ก็เหมือนกันออกจากร่างเนี่ยอาจจะไปสู่สวรรค์ชั้นพรมก็ได้ชั้นไหนก็ได้ไปตกนรกหมกไหมก็ได้เป็นมนุษย์ที่ท่านว่าเป็นศูนย์กลางเออเออเป็นศูนย์กลาง จะไปทางเหมือนกับทางสามสี่แผงอย่างนั้นนะจะไปนิพพานก็ไปได้จะไปสวรรค์ก็ไปได้จะไปพรมก็ได้จะไปเป็นสัตว์ที่ไรฉานก็ได้จะไปตกนรกก็ได้มนุษย์เนี่ยมันอยู่ตรงกลางสร้างเสาะแสวงหาอะไรได้ทั้งนั้นที่เราพวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะนั้นท่านว่ามนุษย์เนี่ยที่มาเกิดมาแล้วเนี่ย เป็นแหล่งแหล่งโสแสวงหาเป็นแหล่งเงินแหล่งทองถ้าเราทำกรรมชั่วไปทางชั่วได้ง่ายโลกนี้เป็นโลกหาได้ที่คุณแม่พูดโลกนี้ลึกคือโลกหาได้หาดีหาชั่วหาสวรรค์หานิพานหาหานระาโลกหาสัตติจารได้ทั้งนั้นพนันพวกเราเกิดมาทั้งทีเดี๋ยวพบพระพุทธศาสนาในพธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว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 เราจะได้ฝึกการนั่งนะเอาต่อนนี้ไปก็นั่งสมาธิแนั่นที่นี่นะ